รวมทำบุญด้วยสาเหตุต่างๆบางท่านมาเพราะเป็นวันเกิดบางท่านมาเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงล้มไปแล้วบางท่านก็มาเป็นประจำถือเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรที่พึงกระทำตามที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบั น, นาชาติและในอนาค ต, ตาชาติที่จะตามมาต่อไปบางท่านก็มาเนื่องจากวันนี้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรจะมีสามเณร มาบวชเป็นเลนประมาณ6กสกว่ารูปด้วยกันเป็นโครงการของโรงเรียนผู้รู้ยศส อ, สอเป็นโรงเรียนในสังฆราชนุปถัมเป็นโรงเรียนที่สมเด็จ ก, ก็รสังฆราชได้ทรงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ด้อยโอกาสฐานะทางครอบครัว ไม่สู้จะดีพอแต่มีความประพฤติดีให้ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้สามปีด้วยกันคือตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 เป็นโรงเรียนกินนอนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่าหนังสือค่าเล่าเรียนค่าเสื้อผ้าค่าที่อยู่อาศัยค่าอาหาร ทางโรงเรียนจัดให้หมดทุกอย่างโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมจริยธรรมของชาวพุทธเราคือเรียกว่าเป็นโรงเรียนแนวพุทธจะสอนเด็กให้รู้จักไหว้พระสวนมนให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ สอนให้มีความกะตันยูกะตะเวทีมีสัมมาคารวะควบคู่กับการเรียนวิชาทางโลกพอจบพอปิดเทิมเด็กนักเรียนที่จบม .1 ก็จะบรรพชาเป็นสา ม, มเณรกัน15วันด้วยกันนี่คือที่มาของการบรรพชา ของเด็กเป็นโครงการของโรงเรียนผู้รู้ยศสอส อ, สอที่มีนักเรียนประมาณ45คนต่อชั้นพอจบม .1 นนก็จะก่อนจะปล่อยกับบ้านก็ให้มาบวชเป็นเนนเพื่อจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธเราว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร เพื่อนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของชีวิต จ, จิตใจนอกจากเด็กโรงเรียนผู้รู้ยศสอแล้วก็มีเด็กที่เป็นลูกของศรัทธายายโยที่มาทำบุญที่วัดเป็นประจำก็มาร่วมสมทบบวชอีกจำนวนยี่สบกันรูปด้วยกันนี่คือ ความเป็นมาของการประเพณีบรรพชาสา ม, มเณรเพราะเด็กต่อไปในวันข้างหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่เด็กในวันนี้ถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีในวันข้างหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้ดูแลรักษาประเทศชาติของเรา ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการศึกษาการบวชเรียนนี้เป็นกิจวัตรที่สำคัญถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจในด้านศีลธรรมที่มีความสำคัญกว่าความรู้ต่างๆในโลกนี้เพราะความรู้ต่างๆในโลกนี้เป็นเพียงความรู้ วิชาชีพเท่านั้นคือเรียนรู้มาเพื่อที่จะได้อำมาประกอบการทรมาหากินแต่ไม่ได้เป็นวิชาชีพที่จะสอนให้รู้จักดำรงชีวิตของตนไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและแก่ตนเองไม่ไปสร้าง ความวุ่นวายให้กับสังคมถ้ามีการศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ชีวิตก็จะมีแต่ความสงบมีความสุขมีความปลอดภัยจะไม่มีปัญหาจะไม่มีโทษต่างๆตามมา นี่คือการมาบวชเรียนมาบวชเรียนวิชาของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่7หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันเกิดให้มาเรียนรู้ข้อที่หนึ่งคือรู้เหตุข้อที่สองก็คือรู้ผลข้อที่สามก็คือรู้ตนข้อที่สี่ก็คือรู้บุคคลข้อที่ห้า รู้สังคมข้อที่6รู้จากกาลเทศะและข้อที่7รู้ประมาณนี่เป็นความรู้ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีโทษไม่มีมันหาต่างๆตามมา ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่เกี่ยวข้องกันคือเหตุและผลเหตุเป็นต้นผลเป็นปลายผลจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่เหตุผลนั่นคืออะไรผลก็คือความสุขความเจริญที่พวกเราปรารถนากันผลก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจ ที่พวกเราไม่ปรารถนากันผลทั้งสองชนิดนี้มีเหตุทำให้เกิดขึ้นมาเหตุที่จะทำให้ผลคือความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความวุ่นวายใจปรากฏขึ้นมาก็อยู่ที่เหตุได้แก่การกระทำของเราเองการกระทาทางกาย การกระทําทางวาจาและการกระทําทางใจนี่คือเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีก็เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนี้เท่านั้นถ้าเราอยากจะให้ผลดีเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดี ถ้าคิดดีพูดดีทดําดีผลก็จะเป็นผลดีคือความสุขความเจริญของจิตใจต้องเข้าใจก่อนว่าผลที่พูดถึงนี้ไม่ได้หมายถึงผลทางลาบยศสรรเสริญอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราพูดถึงนี้คือความดีงามของจิตใจความสวยงาม ความอิ่มเอิบใจความสุขใจความปราศจากความทุกข์ใจวุ่นวายใจต่างๆเกิดจากการคิดดีพูดดีทําดีส่วนความเจริญทางลาบยศสรรเสริญอันนี้มีเหตุหลายเหตุด้วยกันบางคนทําดีก็เจริญในลาบยศสรรเสริญได้บางคนทําชั่ว ก็จเจริญในราบยศสารเสริญได้ดังนั้นขอให้เราอย่าไปหลงผิดคิดว่าทำชั่วแล้วก็จเจริญเช่นคนช่อโกงก็ร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตได้แต่นี่ผลที่ได้มานี้ไม่ได้เป็นผลที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจ คือการเจริญในลาบยศสรรเสนนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขกลับจะทำให้จิตใจมีความทุกข์เพราะว่าลาบยศสรรเสนรรนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวร น, นั่นเองเปลี่ยนได้เจริญได้ก็เสื่อมได้เวลาเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจเสียใจตามมา นี่คือผลที่เกิดจากการกระทำดีก็ได้การกระทำไม่ดีก็ได้คนทำดีก็ร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตได้คนทำชั่วก็ร่ำรวยได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ดังนั้นขอให้เราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปมองผลที่ลาบยศสรรเสริญเพราะนี้ไม่ได้เป็น ตัววัดความดีความชั่วที่แท้จริงตัวที่วัดความดีความชั่วคือจิตใจของเราจิตใจของเรามีความสุขมีความสงบหรือมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอันนี้เป็นผลที่เราควรจะคำนึงถึงเพราะว่าเป็นตัวที่กระทบกระเทือนกับตัวเราเป็นอย่างมาก การเสื่อมของลาบยศหรือการเจริญของลาบยศนี้ไม่มีอิทธิพลเท่ากับความเสื่อมความเจริญของจิตใจคือความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีความนุ่มเย็นเป็นสุขเราต้องทำความดีละการกระทำบาปเช่น ทำความดีก็คือทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นตามกำลังของเราเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะทำกับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระภิกษุทำกับวาดกับวาทำกับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนื่อยร้อน แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับพี่กับน้องก็ได้ทำกับสามีภรรยาทำกับลูกก็ได้ทำให้เขามีความสุขอย่าไปทำให้เขามีความทุกข์การที่ไม่ทำให้เขามีความทุกข์ก็คือการไม่ฆ่าการไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นการไม่ประพฤติผิดประเวณี การไม่พูดปดโกหกหลอกลวงน้าการไม่เสพสุรายามาถ้าไม่มีการกระทำลานี้เราก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะไม่กลับมาหาเราถ้าเราสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็จะกลับมาหาเรา เช่นเวลาทำบาปแล้วใจของเราก็จะไม่สบายใจถ้าทำผิดกฎหมายก็จะมีความหวาดระแวงหวาดกลัวต้องคอยอยู่แบบหลบๆ บ, บ, บซ่อนๆเพราะกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษนั่นเองถ้าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำผิดกฎหมาย เราก็จะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดถ้าเราทําความดีแบ่งปันประโยชน์แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นความสุขที่เราให้เขานั้นก็จะกลับมาหาเราเราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มเอิบใจสบายใจอย่างที่วันนีญาติยมมาทาบุญกันอันนี้ก็เรียกว่าทําความดี แบ่งปันความสุขแบ่งปันประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพอทำแล้วใจของเราก็มีความสุขแล้วเราก็จะมีมิตรมีเพื่อนคนที่เราให้ความสุขกับเขาเขาก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเราและในวันข้างหน้าถ้าเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าเขามีความสามารถที่จะ ช่วยเหลือเราได้เขาก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือเรานี่คือเรื่องของเหตุและผลที่เราควรที่จะคำนึงถึงถ้าเราอยากจะได้ผลที่ดีก็ต้องดูการกระทำทางกายทางวาจาทางใจว่าเราคิดดีหรือเปล่าพูดดีหรือเปล่า ทำดีหรือเปล่าการจะคิดดีพูดดีทําดีได้เราก็ต้องมีความเมตตากรุณามีมุนิตามีอุเบกขานี่คือคุณธรรมที่จะผลิตความคิดดีขึ้นมาเมื่อเราคิดดีแล้วเราก็จะพูดดีทําดีตามมาความเมตตาคืออะไรก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความหวังดีความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากให้ผู้ไม่มีความทุกข์นี่คือความปรารถนาดีอย่างเวลาเราไปอวยพรคนที่เรารู้จักอวยพรวันเกิดอวยพรปีใหม่ไอ้ น, นี่คือการแสดงความเมตตาเราไม่ควรจะอวยพรแต่เฉพาะวันขึ้นปีใหม่หรือวันเกิดเท่านั้น ควรจะอวยพรทุกเวลาเวลาที่เราเจอใครเราควรที่จะพูดดีกับเขาพูดให้เขามีความสุขอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความโกรธเวลามีความโกรธ น, นี้เรามักจะพูดไม่ดีแทนที่จะพูดอวยพรเราก็จะพูดด่าเขาสาบแช่งเขาถ้าเราอยากจะ ละงับความโกรธเราก็ต้องเจริญเมตตาต้องมีความให้อภัยความเมตตานี่ก็คือการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองการกระทําของผู้ที่ทำให้เราเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาให้คิดว่าเป็นเหมือนกับการใส่บาตรเวลาเราใส่บาตรเราได้ความสุข เราให้อภัยเราก็จะมีความสุขเพราะการให้อภัยนี้จะดับความโกรธได้ความโกรธของพวกเรานี่เป็นเหมือนไฟเผาใจของเราจะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีแลนะทําไม่ดีแล้วก็จะทำให้เกิดผลไม่ดีตามมาทำให้เราต้องวุ่นวายใจทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัย ยกโทษไม่ถือโทษโกรธเคืองความโกรธแค้นโกรธเคืองที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปเราก็จะไม่ได้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีผลก็จะไม่มีผลเสียผลร้ายต่างๆก็ไม่มีตามมาถ้าเราโกรธแล้วเราให้อภัยไม่ได้เราก็จะไปด่าเขาบ้างไปทุบตีเขาบ้างหรือไปฆ่าเขา ตามแต่ความโกรธ ว, ว่ามีมากมีน้อยเพียงไรพอไปฆ่าเขาแล้วทีนี้ผลร้ายก็จะกลับมาหาเราเราก็ต้องคอยหลบคอยหนีอยู่ไม่เป็นสุขอยู่อย่างหวาดกลัวแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกจับไปลงโทษถ้าเราให้อภัยได้ผลต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นตามมา การแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเช่นตอนที่เราไหว้พระ ส, สวนมน์แล้วก่อนจะก่อนจะเลิกเราก็แผ่เมตตาสพเพสตาเอาเวราโหนตุสวนไปแบบนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาเป็นการทำการบ้าน เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องไม่มีเวรกับผู้อื่นเราต้องมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นนี่คือการทำการบ้างเวลาแผนเมตตาจริงๆต้องเวลาที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆเจอหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงไมตรีจิตพูดดี ถามสารทุกข์สุขดิบสบายดีหรือไมอ่กินข้าวหรือยังอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เจอหน้ากันก็แยกเที่ยวใส่กันด่ากันว่ากัน อ, อย่างนี้เรียกว่าไม่มีความเมตต า, านี่คือคุณธรรมที่เราควรที่จะเจริญคือมีความเมตตาข้อที่สองมีความกรุณา ก็คือความสงสารเวลาที่เราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดรอ้อนเราควรที่จะสงสารและช่วยเหลือเขาตามกำลังเท่าที่เราจะทาได้เขาขาดอาหารก็หาอาหารให้เขารับประทานขาดเสื้อผ้าขาดยารักษาโรค ก, ก็หามาให้เขาดูแลตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้เช่นเห็นสุนัขที่จรจัดไม่มีอาหารเรามีอาหารก็แบกให้เขากินเขาไม่สบายมีแผลมีอะไรก็พาไปหาหมอพาไปรักษาอย่างนี้เรียกว่าการมีความสงสารถ้าเรามีความสงสารแล้วเราจะมีการกระทำที่ดี ทำให้ผู้ น, นี้เขารักเราชอบเราเคารพเราอย่างพระพุทธเจ้าที่พวกเราเคารพรับพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความสงสารสงสารพวกเราที่ยังติดอยู่ในคุกของการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ทรงรู้วิธีที่จะทําให้ได้หลุดออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็เลยสละเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวแล้วเอาความรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้โดยที่ไม่คิด ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดไม่มีค่าเล่าเรียนไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆสอนฟรีเรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะให้กับพวกเราก็คือการได้เป็นอิสระไม่ต้องถูกจองจำอยู่ในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายนี่เอง ถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพระธรรมคําสอนพวกเราก็จะต้องติดอยู่ในคุกของการเกิดแก่เจ็บตายไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้เราเล่นลอดออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลยต้องมีพระพุทธเจ้ามารู้จักวิธีแล้วมเอามาสั่งสอน พอมีพระพุทธเจ้าแล้วพอพระองค์ได้สั่งสอนก็มีผู้สามารถปฏิบัติตามได้แล้วก็หลุดพ้นจากคุกแข่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นจำนวนมากพาาาระอรหันตสาวกที่พวกเราเคารพนับถือกราบไหว้นี่แหละคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนนี้จะไม่มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เลยเพราะจะไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะคน้นคว้าหาวิธีให้เล็ดลอดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากความสงสาร ในสัตว์โลกที่ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างไม่มีวันหมดไม่มีวันจบถ้าไม่มีพระองค์มาสั่งสอนวิธีที่จะทำให้ได้หยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้นี่คือประโยชน์ที่ผู้ที่มีความการุณาจะมอบให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าพวกเรายังไม่มีธรรมะ คำสอนเพราะว่าพวกเรายังไม่รู้จักวิธีเล่ดลอดออกจากคุกตลาเรามีอะไรเราก็ให้อย่างอื่นไปก็ได้เราเป็นหมอเราก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปหาหมอตามโรงพยาบาลได้ เราก็ทำเป็นอาสาสมัครเช่นที่วัดนี้ในวันเกิดของสมเด็จพระสังฆราชก็จะมีหมอมีหมอฟันมีแพทย์มาทำการรักษาทำฟันให้แก่ชาวบ้านที่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เรียกว่าความกรุณา ถ้ามีความกรุณาแล้วก็จะมีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจะพูดเพื่อให้ได้เกิดการช่วยเหลือผู้อื่นและจะกระทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้อื่นได้บรรเทาความทุกข์ยากเบือดร้อนขึ้นมานี่คือคุณธรรมที่เราควรที่จะหัดเจริญกันอยู่เรื่อยๆให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกัน เรามาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ด้วยกันเรามีบุญมีกรรมมาทบุญทำกรรมมาเวลาเวลาที่บุญส่งผลเราก็อยู่กันอย่างสุขอย่างสบายแต่เวลาที่กรรมหรือบาปส่งผลเราก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลาบากเราจึงควรที่จะช่วยเหลือกันเพราะว่าไม่แน่นอน บางทีเราก็อาจจะตกทุกข์ได้ยากก็ได้เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้ถ้าทุกคนคอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกันความตกทุกข์ได้ยากลำบากของพวกเราก็จะได้รับการบรรเทาแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่โดยที่ไม่เหลียวแลกันไม่มีความ กระาต่อกันโลกนี้ก็จะอยู่ยากทุกยากลำบากจะทำให้ไม่อยากจะอยู่กันหรือไม่เช่นนั้นก็จะทำให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันเพราะถ้าเวลาที่เราเดือดร้อนแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเราเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหา โดวยวิธีที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลและมได้เราก็อาจจะต้องไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดศีลและมก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แต่ผู้ที่ไม่เดือดร้อนผู้ที่พอที่จะช่วยเหลือผู้ได้มาคอยดูแลคอยช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ยากๆเดือดร้อน ผูที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะได้ไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายไม่ต้องไปทำผิดศีลธรรมไม่ต้องไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้นี่คือความสำคัญความจำเป็นของความสงสารของความกรุณาที่เราควรที่จะมีต่อกันและกันเพราะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเยนเป็นสุขนั่นเอง นี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลที่พวกเราควรที่จะพยายามศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติพยายามเจริญเมตตามีความคิดดีปรารถนาดีรู้จักให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วให้มีความกรุณามีความสงสารก่เพื่อนร่วมโลกคิดว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เราก็จะคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลดีก็จะกลับมาหาเราเราก็จะมีแต่ความสุขมีเพื่อนมีมิตรไม่มีศัตรูนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีดำเนินชีวิตที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากัน ก็คือเกิดความสุขความเจริญไม่เกิดความทุกเกิดความวุ่นวายใจต่างๆเป็นเหตุที่เราสามารถทำกันได้ทุกคนไม่ว่าจะร่ำ ร, รวยร่ำรวยหรือยากจนไม่เป็นปัญหาทำได้ทุกคนทำได้มากทำได้น้อยก็ทำไปตามกำลังของเราผลก็จะเป็นเหมือนกันความสุขใจ ที่เกิดจากการกระทําไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนผลก็คือความสุขใจเหมือนกันนี่เองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติการกระทําที่ดีที่จะทําให้เกิดความน่มเย็นเป็นสุขให้ท่านได้นําเอาไปเพลนปิจารณาและปฏิบัติเพื่อ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 โดยทั่วหน้าการเธอ